บัรนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระธรรมเทศนาที่สอนโดยอาศัยวัตถุภายนอกมีน้ำเป็นต้นนั้นยังมีนัยยะเป็นนั้นมากค้อนนี้พึงศึกษาตามนัยยะที่ทรงสอนพระราคุณกุมารในตอนผนวดใหม่ๆ ในขณะนั้นพระถิระยังเป็นสามเณรอายุน้อยพระพุทธเจ้าก็อาศัยน้ำเป็นตัวอย่างในการสอนสามระดับด้วยกันลำดับแรกพระราหุลตักน้ำล้างพระบาทให้พระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เอาน้ำเหลือไว้ครึ่งภาชนะให้พระราหุลดูและรับสั่งถามว่าเธอเห็นน้ำในครึ่งภาชนะนี้ไหมพระราหุลก็กราบทูลว่าเห็น รับสั่งแสดงว่าน้ำในภาชนะนี้มีจํานวนน้อยคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเจตนาจะกล่าวคําเท็จทั้งๆ้ที่ททรู้ก็มีคุณความดีอยู่น้อยและในที่สุดก็เ ท, เทน้ําในภาชนะออกหมดแล้รับสั่งถามให้ดูอีกแล้วก็แสดงว่าคนเราถ้าหากว่ามีเจตนากล่าวคําเท็จทั้งๆ้ ท, ง ท, ง ท, งที่รู้อยู่ คุณความดีของเขาก็หมดไปเหมือนน้ำที่หมดในภาชนะแล้วก็พ้มคว่มภาชนะน้ำลงรับสางให้ดูเช่นเดียวกันและทรงแสดงว่าถ้าหากว่าบุคคลมีเจตนาจะกล่าวเช็ด ท, ทั้งทั้งที่รู้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่ถูกคนอื่นเขาคว่ำเสียแล้วคือเขาไม่สนใจไม่ใยดีเส็จแล้วจากนั้นก็ทรงแสดงให้ ราคุณสามเณรได้อาศัยการสวจสอบการพินิษพิจารณาถึงอาการที่แสดงออกทางตรทวารอยู่ทางกายทางวาจาทางใจโดยให้วิเคราะห์การกระทำทั้งสามทางนั้นว่าการกระทำการพูดหรือความคิดใดๆก็ตามที่มาทาพูดคิดไปแล้วทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทำตนเองให้เดือดร้อน หรือทำทั้งตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความทุกข์เธอก็ต้องเว้นการกระทําการพูดการคิดนั้นเสียการกระทําการพูดการคิดเหล่าใดที่ไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทั้งไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนมีผลเป็นความสุขเธอก็ต้องกระทําการนั้น พระธรรมเทศนาในตอนนี้เป็นการแสดงแก่คนซึ่งอยู่ในวัยเยาว์อาศัยรูปวัตถุข้าเป็นสื่อในการเรียนรู้แล้วก็ดึงเข้าหาการวิเคราะห์การตรวจสอบพินิษพิจารณาในชั้นของศีลธรรมจริยาซึ่งจะเห็นได้ว่าอาการที่แสดงออกของคนทั้งหลายที่สรุปรวมว่าเป็นกรรมนั้นก็คือการกระทําที่เกิดขึ้น ทางกายทางวาจาโดยมีความจงใจเกิดขึ้นภายในใจก่อนแล้วกระทำพูดออกไปการกระทำนั้นเรียกว่ากรรมตามปกติแล้วก็จะแสดงผลออกมาเป็น3ทางด้วยกันทางแรกคือมีผลเป็นกลางกลางทางที่สอง ม, มีผลเป็นความสุขทางที่สมก็มีผลเป็นความทุกข์ตามลักษณะประเภทของกรรมที่บุคคลกระทำในแต่ละคราว เนื่องจากคนเราต้องอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับบุคคลอื่นนอกจากคนอื่นก็คือเรานอกจากเราก็คือบุคคลอื่นหากว่าบุคคลได้มีการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงการกระทําการพูดการคิดของตนเสียก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดออกไปโดยเล็งเป็นที่สิ่งซึ่งตนกระทําและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําว่าทีส่สิ่งซึ่งตนกระทํานั้นถ้าก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ตน กับบุคคลอื่นหรือเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีผลเป็นความทุกข์ก็ให้เว้นการกระทานั้นเสียแต่ถ้ามีผลตรงกันข้ามคือเป็นการเกื้อกูลแก่ตนแก่บุคคลอื่นและเกื้อกูลแก่ บ, บุคคลทั้งสองฝ่ายมีผลเป็นความสุขทั้งตนและบุคคลอื่นก็ให้กระทำการเช่นนั้นนี่ก็คือการเสริมสร้างความคิดให้บุคคลสามารถเอาตัวเองเป็นฐาน หาความเข้าใจการเรียนรู้บุคคลอื่นเพื่อจะได้ปฏิบัติตนตามหลักของชั้นศีลธรรมจริยารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเหมาะสมแก่พื้นเพอัตยาสายัยและวัยของผู้ฟังในขณะนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็กระจายทั่วไปแม้ในบุคคลทั้งหลายที่สามารถจะหาประโยชน์จากพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนี้ได้ต่อมาเมื่อ พระราชน์โตเป็นหนุ่มขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เอาน้ำมาสอนอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการสอนอีกระดับหนึ่ง <c oughs> โดยทรงสอนจาแนกแยกยะให้พระราชน์ซึ่งมีสติปัญญาพร้อมที่จะพิจารณาให้ประณีตขึ้นไปกว่านั้นได้ <c oughs> ก็ทรงสอนให้ดูธาตุทั้งสี่ประการเช่นเดียวกันแต่พิจารณาในตอนแรกว่าให้ดูว่า ดิดน้ำลงไฟนั้นแ ท, ท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งการมองสิ่งทั้งหลายในสามมุมนี้เป็นการมองในลักษณะขจัดกิเลสออกไปจากใจเสียก่อนจึงจะมองเห็นได้เพราะความความยึดความติดในสิ่งทั้งหลายของคนในโลกนี้จะยึดติดอยู่ในสามลักษณะอย่างนั้น ที่ทรงใช้คําเป็นบาลีว่าตัณหากาหะคือยึดถือด้วยความเป็นของเรามีการกําหนดหมายกันขึ้นในลักษณะต่างๆและความเป็นของเรานั้นอาจจะออกมาในรูปของการเพิ่มกิเลสสายโลภะหรือเพิ่มกิเลสสายโทสะก็ได้เช่นกําหนดว่าเป็นพวกเราเพื่อนเราทรัพย์สมบัติของเราก็เพิ่มกิเลสสายโลภะขึ้นแต่ถ้ามีการกําหนดว่าเป็นศัตรูของเรา เป็นพิษเป็นภัยของเราเป็นต้นก็เป็นการเพิ่มกิเลสสายโทสะคิดที่เรียกว่าเป็นการกำหนดหมายการยึดถือด้วยอำนาจของตันหาว่าของเราอาการสายไปของใจในของเรานั้นจะมีกระจายออกไปตามแรงดันของตันหาซึ่งข้อนี้พระโบราณอาจารย์ในอุปมาความคิดของคนที่ไปเกี่ยวเกาะไปยึดติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆว่าเหมือนกับนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกไมฮะกะ นกไมฮะกะนี้ไปจับต้นไม้อะไรก็จะร้องบอกของเราของเร า, เราแล้วแกก็บินไปเรื่อยๆไปทุกต้นที่แกจับแกก็ยึดถือว่าของเราเมื่อแกบินไปแล้วนกตัวอื่นก็มากินผลไม้มาจับเกาะต้นไม้นั้นนกไมฮะกะก็เกาะร้องไปเรื่อยๆลักษณะเดียวกับการยึดจิตในสิ่งทั้งหลายว่าของเราแห่งคนทั้งหลายในโลกนี้ในขณะที่มีการถือครองก็มีการยึดถือว่าของเราของเรากันไป และในที่สุดก็ต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นมาร้องว่าของเราของเราต่อไปคนเหล่านั้นร้องอยู่พักดึกก็ทอดทิ้งไปคนอื่นก็ขึ้นมาร้องต่อไปอีกมีลักษณะเป็นอย่างนี้กลายเป็นวัตจักรเป็นความหมุนเวียนซึ่งบุคคลสามารถพิจารณาเห็นได้ว่าพื้นดินที่ปลูกบ้านอยู่ในขณะนี้นั้นก็มีการยึดถือว่าเป็นของเราแท้ที่จริงในจุดนั้นเองมีคนเคยยึดถือว่าเป็นของเรามาม า, มากต่อมากแล้ว แต่คนเหล่านั้นก็ได้ตายทอดทิ้งสริระร่างกายเอาไว้ในโลกซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสแสดงไว้ว่าไม่มีสถานที่ใดในโลกนี้ที่สัตว์ไม่เคยตายเป็นการทับถมการทอดทิ้งสรีระร่างกายของบุคคลซึ่งเคยยึดถือในสถานที่ต่างๆบุคคลต่างๆวัตถุต่าง ๆ, ว, างๆว่าเป็นของเราตั้นเองแต่จริงความเป็นของเราซึ่งกําหนดยึดถือลงนั้นก็คือการเกาะกลุมของดินน้ําลมไฟอย่างที่ทรงจําแนกสแสดงไป และยึดถืออีกแนวหนึ่งก็ยึดถือด้วยอำนาจของมานะว่าเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้นซึ่งในความเป็นมา n นะนั้นถึงสังเกตว่าพร้อมที่จะขยายตัวเองออกไปเป็นพวกตันหาสมมุติว่าได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยึดถือว่าตัวเป็นเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นแต่พอเป็นไปได้หน่อยหนึ่งก็เกิดอยากจะเป็นสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีการควายคว้าด้วยแรงดันของตันหาต่อไป ก็เป็นอีกก็ไปยึดถือว่าเราเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วในสุดก็ดิ้นอีกพอดิ้นพอได้เป็นอีกก็ยึดอีกตกลงว่าหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ระหว่างตันหามาณนะกะทิติความยึดถือในลักษณะนี้เมื่อบุคคลจะต้องการจะถ่ายทอนก็ทรงแสดงออกไปเป็นสองแนวแนวหนึ่งนั้นถ้าวุธิปัญญาของบุคคลมีมากพอจะวิเคราะห์ตรวจสอบให้เข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้ ก็ทรงแสดงแบบสรุปแบบรวมลงไปเลยแต่ถ้าหากว่าแม่อาจจะวิเคราะห์ตรวจสอบได้ก็ทรงแยกสิ่งเหล่านั้นออกมาทีละชิ้นทีละอย่างเพื่อให้ดูว่าแท้ที่จริงแล้วความเป็นอย่างนั้นหรือความเป็นสิ่งนั้นความเป็นคนนั้นที่มีการกําหนดหมายกันแท้จริงแล้วเป็นการประกอบเป็นการประชุมของสิ่งต่างๆเท่านั้นพอแยกย่อยออกไปแล้วก็จะไม่มีความเป็นอย่างนั้น หรือความเป็นคนนั้นอยู่ในคนหรือในสิ่งนั้นในตอนต่อมาก็ทรงสอนให้พระเถระพยายามควบคุมความคิดโดยสอนให้ภาวนาเสมอด้วยน้ำแต่ในชั้นแรกก็ให้เรียนรู้ซึ่งน้ำที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าในร่างกายของเรานี้ก็มีน้ำ มีน้ำตามีน้ำลายมีน้ำเสมหะมีน้ำเลือดมีน้ำหนองมีน้ำไขข้อมีน้ำตามีเปรียวมันมีน้ำมูดน้ำคูดเป็นต้นซึ่งประกอบขึ้นเป็นน้ำและก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำหนดร่างกายและก็มีใจไปยึดไปกำหนดหมายว่าของเราเป็นเราเป็นต้นดังกล่าวแล้วและน้ำเหล่านี้ก็มีอยู่จากภายนอกทั้งไกลทั้งใกล้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือน้ำ ให้ภาวนาเสมอด้วยน้ำนั้นในชั้นแรกก็ให้พิจารณากาหนดดูน้ำว่าน้ำนั้นโดยสภาพก็คือน้ำที่มีการเกาะกลุ่มกันได้แล้วก็บีบตัวเองให้เล็กให้ใหญ่ไปได้ตามสถานที่เข้าไปอยู่อาศัยคือพร้อมที่จะอยู่ในสถานที่นั้นๆได้ตลอดไปและในขณะเดียวกันก็สะท้อนจากสิ่งที่ใกล้ชิดตัว เป็นทองฟ้าเป็นสีครามก็จะสะท้อนสีของตัวเองออกมาเป็นสีครามได้เป็นต้นและให้ภาวนากำหนดดูว่านา้มนั้นไม่มีเจตนาคือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายต่อสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนและปรากฏอยู่ในตนว่าจะเป็นโคลนเป็นตมเป็นดอกไม้เป็นของหอมของดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำนั้นน้ำจะไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้าย ขอให้ทำใจในลักษณะอย่างนั้นคือทำใจอย่าให้เกิดทั้งความยินดีและความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายข้อนี้เมื่อบุคคลพิจนารณาดูให้ซึ้งลงไปก็จะพบว่าจุดแตกต่างระหว่างน้ำกับคนนั้นอยู่ที่น้ำมีไม่มีใจครองแต่คนมีใจครองจะทำอย่างไรจึงจะมีความรู้สึกได้เสมอน้ำหรือเหมือนกับน้ำ คนน้ำแกไม่ต้องคิดไม่ต้องมีความเจตนาไม่มีความจงใจอะไรแต่คนเรานั้นมีใจใจมีหน้าที่คิดมีหน้าที่รับรู้มีหน้าที่เก็บสะสมอารมณ์ต่างๆเอาไว้มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆการปฏิบัติเช่นนี้จะทำได้อย่างไรก็ต้องวิเคราะห์ลึกลงไปอีกครั้งหนึ่งว่าแท้จริงแล้วอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้น บางอารมณ์ไม่ได้เก็บไว้ภายในใจก่อนการที่อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตตนนั้นมั้นเกิดมาจากอะไรก็จะพบได้อย่างเด่นชัดว่าเกิดมาจากความจงใจหรือความใส่ใจความใส่ใจมีมณฑสิการคือใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้น รามีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เป็นอันมากที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราในแต่ละวันนั้นมากมายได้เกินแต่ว่ามีรูปบางอย่างเท่านั้นมีเสียงบางอย่างเท่านั้นมีกลิ่นบางอย่างเท่านั้นมีรถบางอย่างเท่านั้นมีผลิัณฑ์บางอย่างเท่านั้นที่ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจเราทั้งในด้านบวกและด้านลบทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นอันมากที่เราไม่่กกําหนดแ ไม่กําหนดหมายทั้งในฐานะที่น่าคลาน่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่กําหนดหมายทั้งในส่วนที่ไม่น่าคลายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจความรู้สึกเดือดร้อนกระสับกระส่ายไปเพราะสิ่งเหล่านั้นจึงไม่เกิดขึ้นแต่การที่เกิดขึ้นก็เพราะใจาไปกําหนดหมายทั้งสองสถานะถ้ากําหนดหมายว่าน่าคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจใจก็จะสายไปในอารมณ์เหล่านั้นด้วยแรงดันของกิเลสประเภท โลภะราคะตัณหาเป็นต้นแต่ถ้าไม่กำหนดหมายถ้ากำหนดหมายว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็จะเกิดความคับแค้นความไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นตามความรุนแรงแห่งการกำหนดหมายดังนั้นในที่นี้จึงอยู่ที่การพยายามทาใจของตนไม่ใส่ใจในอารมณ์บางอย่าง อารมณ์บางอย่างที่ไม่ควรใส่ใจนั้นคืออะไรอารมณ์อะไรก็ตามที่เมื่อใส่ใจไปแล้วจะเป็นการเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความกัดเคืองเพิ่มเพิ่มความลุ่มหลงเพิ่มความมัวเมาขึ้นก็ไม่ใส่ใจแต่อารมณ์ในลักษณะตรงกันข้ามคือที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความคลายความกัดเคืองคลายความลุ่มหลงคลายความมัวเมาก็กำหนดหมายอารมณ์ตังนั้นเมื่อทำได้เช่นนี้ จิตใจซึ่งมีการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลคือระหว่างความดีกับความชั่วจะมีความเปลี่ยนแปลงบังเกิดขึ้นคือปริมาณของอกุศลจะลดลงเพราะไม่ได้เชื่อมาจากภายนอกแต่ปริมาณของกุศลจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับจะมีกำลังแก่กล้ามากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะสยบอยความรุนแรงของอกุศลต่างๆให้บาบางลงไป ใจก็จะถูกครอบคลุมด้วยกุศลแธรรมทั้งหลายจะมีการเรียนรู้มีการเข้าใจถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นตามความเป็นจริงมีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ไม่ปล่อยให้เกิดความยินดีและความยินร้ายในอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปนี้คือขั้นของการสํารวมระวังอินทรีย์ที่ทรงแสดงไว้นั่นเองแต่ในชั้นที่หนึ่งนั้น จะต้องทำใจให้ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบหรือทำใจเสมอน้ำดังกล่าวแล้วไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามจะต้องมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นเพราะอารมณ์ทั้งหลายนั้นแท้ที่จริงก็สักว่าเป็นอารมณ์เราไปกําหนดหมายกันยังไงก็ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไงก็ได้ แล้วอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของคนตามการกาหนดหมายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นเพราะฉะนั้นอารมณ์บางอย่างที่คนอื่นเขาอาจจะเดือดร้อนอาจจะเกิดกาหนัดขัดเคืองเป็นต้นแต่ถ้ากำลังแห่งสติปัญญาของเรามีมากพอมีการกำหนดหมายการพินิจพิเคราะห์จนเกิดความเข้าใจในลักษณะของอารมณ์เหล่านั้น ก็หาประโยชน์จากอารมณ์หล่นนั้นได้ยังยกตัวอย่างเช่นคำด่าว่ากันต่างๆของบุคคลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้ไปพบเห็นได้ไปได้ยินก็ทรงน้อมมาพินิษพิจารณาว่าการเกี่ยวข้องกันในคารวิสวิสัยนั้นเป็นทางตะเป็นที่มาแห่งเวรแห่งภัยกการวิวาทปาฉุลสร้างความเดือดร้อนให้แก่การอะกัน เวรภัยที่ควรจะสงบระงับก็ไม่ยอมสงบระงับแล้วจะเกิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็ได้แนวคิดที่จะหาสิ่งซึ่งมีสาระประโยชน์แกนสารมากกว่าสิ่งซึ่งพระองค์กำลังไปเชิญอยู่ในขณะนั้นๆกำลังประสบอยู่ในเวลานั้นและในอีกชั้นหนึ่งก็คือว่า <c oughs> ความมีหลักของใจซึ่งการอาศัยหลักของใจนั้น ในชั้นของมนุษยการคือการใส่ใจจำเป็นจะต้องอาศัยอุปการธรรมเป็นอันมากเข้ามาค้ำยันจิตใ จ, จของตัวเองเอาไว้เพื่อให้มีฐานมั่นคงคล้ายๆกับความเป็นอาคารบ้านเรือนสถานที่ทต่างๆจะต้องมีสิ่งซึ่งไม่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นช่วยค้ำยันสนับสนุนเอาไว้เช่นความมีเสาเข็มมามี เขื่อนมีอะไรเป็นต้นซึงเป็นองค์ประกอบของความเป็นอาคารบ้านเรือนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นั้นฐานใจที่ทรงสอนเอาไว้จึงมีนัยยะเป็นนันเองคือบางครั้งการสํารวมระวังไม่สเมเร็จประโยชน์เพราะแกเข้ามาถึงใจเสียแล้วจะแก้ไขอย่างไรเมื่อรมนั้นแก่มาถึงเสียแล้วก็ทรงสอนธรรมะในระดับอื่น เจนระดับของขันติคือความอดทนซึ่งถือว่าเป็นตะปะธรรมเป็นธรรมะที่เผาผลาญบรรดากิเลสให้เกิดแท่งไปลดความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดกับความขัดเคืองเป็นส่วนใหญ่นถ้าหากใจของบุคคลมีคตมิมีขันติเป็นฐานหลักเอาไว้ คือมีความอดกลั้นมีความทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่างที่ทรงสอนให้บุคคลอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายว่าเหมือนกับพระยาช้างศึกที่เข้าสู่สงครามจะต้องอดทนต่อลูกศรซึ่งยิงมาจากทิศทั้งสี่ให้ได้จึงจะสามารถรบชนะฆ่าศึกในสงครามได้การทำสงครามกับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่าาาฐานใจมีความอดทนเป็นฐานอยู่ แม้จะมีอะไรรุนแรงมาทั้งในด้านบวกและด้านลบก็จะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นในบางโอกาสบางขณะอดทนไว้ได้แต่อารมณ์เหล่านั้นยังค้างอยู่ภายในใจยังสลัดไม่ออกก็ทรงสอนในรูปของการให้อภยัยในความละเมิดในการก้ า, ราวร้าวล่วงเกินของบุคคลนั้น จะให้อภัยนั้นบางครั้งก็เป็นการให้ได้เฉพาะในกรณีของสายโทสะเท่านั้นแต่ถ้าเป็นกิเลสสายราคะหรือสายโลภไม่ใช่ให้อภัยก็จริงๆก็ออกจะลําบากดังนั้นก็ทรงสอนธรรมะในชั้นของเมตตาธรรมเพื่อจะสลายความรู้สึกเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสงบใจเมื่อใจสงบใจก็จะไม่สาย ไปจึกนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคลายน่าปรารถนาน่าพอใจนี่คือกลายเป็นฐานใจที่จะทําให้เสมอด้วยน้ําได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นบุคคลจะต้องมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นประสานสัมพันธ์กับอารมณ์ที่มาสัมผัสเพื่อเป็นการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบคือทั้งที่ก่อให้เกิดความกําหนัดและเกิดความขัดเคือง หรือแม้แต่ในเกิดที่ส่วนซึ่งเป็นความดีก็ตามเรื่องดีๆก็ตามเป็นการกําหนดรู้โดยมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นเช่นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเกิดขึ้นสติก็รู้ทันว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเป็นการเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้น โดยสภาพขางสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาถ้าเกิดในด้านบวกมาก็ไม่โสมนัสจินดีจนเริงหลงลืมตัวไปแต่มีสติครอบครองมีสติใช้มีสติแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นถ้าเกิดมาในด้านลบก็มีสติรู้ทันเช่นเดียวกันว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีสติระลึกทันไม่ปล่อยให้ความรู้สึกขัดเคืองคับแค้นโทมนัสเข้าครอบงำใจสามารถที่จะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นได้โดยจิตใจไม่เข้าไปครุกคล้าวกับอารมณ์เหล่านั้นในการปฏิบัติโดย น, ยนิย้บางครั้งก็สรงอาศัยสิ่งซึ่งใกล้ๆตัว ฉันยกตัวอย่างอาจจะเป็นดอกไม้เช่นดอกบัวเป็นต้นดอกบัวนั้นว่าที่จริงก็เกิดขึ้นจากโคลนตมชุ่มแช่อยู่กับโคลนตมมีน้ําเหล่อเลี้ยงเอาไว้แต่ดอกบัวก็พยายามที่จะยกตัวเองขึ้นมาจากโคลนตมแหวกน้ําขึ้นมาโผ พ, พ้นน้ําแต่เมื่อพ้นน้ําไปแล้วต่อไปแม่น้ําจะมาแปดเปื้อนจะมาถูกต้อง ก็ไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปสู่กรีบของดอกบัวได้ฉันใดจิตใจของบุคคลที่มีการขัดเกลาวการฝึกรือการประพฤติปฏิบัติมาตามแนวที่ทรงแสดงไว้ในขั้นตอนต่างๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วบุคคลจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสับสวนวุ่นวายยังไงก็ได้ใจไม่ไปมณสิกานไม่ไปใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้น เรื่องเหล่านั้นก็ไม่มีอิทธิพลครอบงําใจซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติในลักษณะนี้ถ้าบุคคลกําหนดสังเกตพินิจพิจารณาก็จะพบว่ามีเรื่องเป็นอันมากที่เราทําได้เช่นว่าบุคคลไปปลูกบ้านอยู่ริมถนนเมื่อก่อนก็อยู่เงียบเงียบส ง, งบไม่มีเสียงรบกวนพอมีบ้านอยู่ริมถนนก็มีปัญหานอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงรถเสียงราดังกันไปหมดแต่พออยู่ไปอยู่ไปนั่น ความเคยชินเกิดขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดจะนอนอยู่ในสถานที่เหล่านั้นหลับได้สบายทาั้งๆที่เสียงอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนอยู่ที่ในตอนแรกเราไปให้ความสำคัญไปใส่ใจต่อเสียงเหล่านั้นมากเกินไปไปคิดว่าเสียงดังเสียงดังเมื่อใจยังคิดอยู่ว่าเสียงดังเสียงดังมันก็หลับไปได้ เพราะอะไรเพราะเป็นตัววิตกวิตกนั้นเป็นอุปสรรคต่อาการหลับแต่เมื่อเกิดความเคยชินข้าวิวตกซ้ำซากข้าวความใส่ใจในเรื่องนี้น้อยลงน้อยลงก็มีการปรับได้ทั้งด้านกายและด้านจิตใจในที่สุดบุคคลก็หลับได้อารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าในสมัยใดก็มีลักษณะอย่างนั้นตัวการสําคัญว่าบุคคลสามารถหาประโยชน์จากสิ่งที่ใกล้ตัว มาเป็นครูในการเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัติในการหาประโยชน์จากความจริงแห่งชีวิตได้หรือไม่เท่านั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นอย่างที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะจิติเป็นธรรมนิยามคือตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมะเหล่านั้นเป็นการกําหนดหมายเป็นเงื่อนไขของธรรมะที่มีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้น พระพุทธเจ้าจะสัจสัรุหรือไม่สัจสรัรุธรรมะก็เป็นธรรมะแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงศัสัรุนํามาเปิดเผยชีย้แจงสดแสดงความจริงในสิ่งเหล่านั้นและบุคคลสามารถหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลงไฟหรือยอย่างอื่นก็ตามซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการเกาะกลุ่มของดินน้ําลงไฟทั้งหมดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการฝึกปรือในการอบรมจิตใจ เพราะน้ําแก่ทําได้แกไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้ดินแกไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของดินเราก็เป็นส่วนหนึ่งของน้ําดินน้ําปรากฏอยู่ที่กายเราเป็นองค์ประกอบของความมีชีวิตของเราก็ควรจะพยายามทําให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ในชั้นของอินเสียสังวรเมื่อตายอันดับขึ้นมาได้ก็การไม่ใส่ใจในอารมณ์บางอารมณ์ แต่ไปใส่ใจในอารมณ์บางอารมณ์โดยพื้นฐา น, นง่ายๆที่ส่งสอนเป็นประจำเสมอก็คือว่าเมื่อใส่ใจอารมณ์ใดแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึนเธอทั้งหลายอย่าใส่ใจอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ใดเมื่อใส่ใจไปแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึนให้เธอทั้งหลายใส่ใจอารมณ์เหล่านั้น นี่คือเป็นการให้มีหลักคุ้มครองจิตใจเอาไว้และวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะด้วยอีกวิธีการปฏิบัติตามในยยนี้ผลคือความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นๆตามสมควรแก่การพิรุตปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปข็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป